อย่างบางคนที่คิดจะเอาอะไรบางอย่างนะถ้าคิดจะเอาสิ่งนั้นเขาบอกว่าเอาด้วยเลขไม่เอาด้วยเลขเอาด้วยกนไม่เอาด้วยมนก็ด้วยคาถาสรรหาที่จะต้องเอาวัตถุนั้นจนได้ถ้ามิจฉาสังกปะมันเกิดขึ้นนะถ้ากามสังกปะมันเกิดขึ้นมันจะเอาอย่างเดียวนะมันชอบมันหมกมุ่นมันครุ่นคิดเพลิดเพลินอย่างเขาบอกว่าพวกพวกเล่นการพนันเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่ออะไรนะ ไม่ใช่ว่าไม่ทําทุกิตกรรมนณะที่นั้นใช่ไหมมันคิดจะเอาอย่างเดียวแล้วตามมาด้วยบาปประกรรมอีกเยอะเนี่ยนะอย่างผู้ที่สแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยนะบางทีเนี่ยจนถึงกันล่วงละเมิดไปทําบาปปําอีกตั้งมากมายเพราะต้องการวัตถุกรรมด้วยอํานาจกา ร, รมวิตกเป็นปัจจัยอนนะกามวิตกเนี่ยเป็นปัจจัยให้ไปบ่นบานสารกล่าวไหว้เจ้ า, าไหว้อะไรนะไหว้ต้นไม้ใบหญ้าไหว้ถนนหนทางมันทําได้หมดจริงจอ่ะนะ ขอให้ลูกช้างสมความปรารถนาลูกช้างหรือลูกคนก็ไม่ทราบไปบนบานอยู่นั่นแหละขออยู่นั่นแหละนะแล้วก็ตามมาด้วยกิจกรรมมากมายเพื่ออะไรนะตอบสนองต่อไอ้กามมาสังกับปะนนั้นถ้าเราโกรธใครเราไม่ชอบใครโดยมากๆนะพยาบาทสังกัปปะอันนี้มันเกิดขึ้นทำไงมันก็หาเรื่องจนได้เรื่องจนได้ในที่สุดเนี่ยนะก็บาปอย่างอื่นตามมาอีกมาก หรือวิหิงสาสังกปะคิดเบียดเบียนผู้อื่นอาุจนผู้อื่นเดือดร้อนชนิดที่รกว่าเข้าอยู่ไม่ผาสุกเลยเพวะะันอากุศลสังกปะทั้งกามะสังกปะพยาบาทสังกปะวิหิงสาสังกปะที่มันเกิดขึ้นนะมันลามลามไปจนถึงกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอากุศลสังกปะเหล่านี้ทําให้ล่วงอกุศลกรรมบทสิบอย่างสบายๆแล้วก็ทําบาปมากขึ้นอากุศลมากขึ้น แต่ถ้าพลิกกลับตรงกันข้ามมามีกุศลสังกัปปะมีเนคขมะสังกัปปะมีอัพยาปาธาสังกัปปะมีอวิหิงสาสังกัปปะคือมีเนคขมะสังกัปปะปรารบถึงศีลว่าเรามีศีลนะปรารบถึงสมถะทั้งหลายหรืออัพยาปาธาสังกัปปะเจริญเมตตาอวิหิงสาสังกัปปะคือเจริญกรุณาเมื่อมีศีลมีเมตตามีกรุณามีพรหมหารมีสมถะวิปัสนาอย่างนี้ขึ้น ด้วยอํานาจกุศลสังกปะอย่าลืมนะองค์ฌานนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาใช่ไหมวันวิตกก็นับอย่างหนึ่งในองค์ฌานถ้าตรึกให้ดีตึกให้ถูกต้องเป็นทั้งลักขณูปนิสชานเป็นทั้งอารมัมมโนปนิสชานถ้ากุศลสังกปะเกิดขึ้นอกุศลสังกปะก็หายไปบาปประธรรมทั้งหลายที่ที่อกุศลสังกปะเป็นหัวหน้าก็ถูกลางออกไป บุญทั้งหลายก็จะเจริญเต็มเปี่ยมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะกุศลสังกัปะเป็นปัจจัยเพราะอย่างเช่นกุศลสังกัปะคิดว่าเออเราน่าจะได้ไหว้พระเจดียด์บ้างอย่างกุศลอย่างอื่นก็ตามมาอีกเยอะเลยนะหรือว่าเออเราน่าจะปล่อยสักบ้างแลกุศลสังกัปปะนี้ก็เป็นเหตุให้กุศลอย่างอื่นตามมาอีกมากพ การดำริเพื่อจะปลารบกุศลเนี่ยนะก็ต่อด้วยบุญอย่างอื่นอีกเยอะเนี่ยนะเพราะว่านี่เป็นผลของกุศลสังกปะอากุศลสังกปะก็ลดลงไปอย่างยกตัวอย่างนะคนที่ปล่อยปลามากๆเลยเนะีเขาจะคิดเป็นกุศลบ่อยขึ้นจะต่างจากถ้าคนไม่เคยปล่อยเลยนะโอ้ตัวนี้ตัวโตวนะเผาได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นคนนักปล่อยปลามากๆๆเห็นปลาปั๊บจะไม่คิดแบบนั้น จะคิดว่าโอ้เขหน้าเห็นใจนะนี่ยเขาได้มีอาหารมีอยู่มีกินไหมอะไรไหมก็จะมากเมตตาเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคิดถ้ากร ม, มาวิตกนะโอ้ตัวนั้นอ้วนตัวนี้อร่อยตัวนั้นก็ไปแล้วบาปอย่างอื่นตามมาอีกบา น, นนะถ้ากรมมาสังกับปะชี้แล้วเอาตัวนี้ตัวนี้ น, นะก็ตามบาปอีกบานเลยมนะันหน้าเห็นใจว่าถ้าไม่ฉลาดที่จะคิดจริงๆเนี่ยลำบากมากๆถ้าอากุศลสังกับปะมันเกิดขึ้นครอบงาํากลุ่มรุม โอ้บาปอย่างอื่นอีกเยอะเนี่ยก็คิดง่ายๆนะกามสังกปะพยาบาทสังกปะวิหิงสาสังกปะความคิดจะเอาความคิดด้วยอำนาความโกรธพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยพวกนี้เนี่ยนำมาซึ่งบาปอย่างอื่นอีกมากเนี่ยนะก็สมมติถ้าเรามองใครด้วยสายตาอันชิงชังเลยนะด้วยโทสะเลยนะถามว่าเราจะพูดถึงบุคคล น, นั้นยังไงวาจาของเราจะเป็นยังไงถ้าคิดในแง่ไม่ดีตลอดเลยนะ มิจฉาวาจาเป็นต้นก็ตามมาอีกเยอะแยะไปหมดพันก็ให้คิดเป็นกุศลเอาไว้เยอะๆนะยังชอบที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอจะคิดกับคิดวันนี้ทุกนะคิดไปเธออันนี้เป็นกุศลสังกัปปะนะทุกจริงๆอันนี้ทุกกะทุกไปคิดเธอะคิดว่าทุก์ไม่ใช่คนคิดเป็นทุกนะคิดแล้วมีความสุขเออใครไปคิดว่านี้ทุกนะคิดบ่อยๆมีความสุขออนนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก มันส่องกระจกทีหนึ่งบอกนี i, ้ทุกใช่เลยนะนี i, i, i, ้ทุกข์กับทุกนี้สังขารทุกข์นี้วิปริณามทุกข์ี่ยนะ่เออพวกนี้ทุกอันนี้ก็เป็นปัจจัยแก่นี i, ้เหตุแห่งทุกเนี่ยนะคิดบ่อยๆยกแขนขึ ok k k eren k eren ้นบอกนี i, i, i, i, i, h h h ้ทุกขนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกคิดอย่างนี้ไม่มีโทษคิดอย่างนี้เท่าไหร่นะศึกษาคําสอนจากกว้างขวางลึกซึ้งบ่อยๆขึ้นเจริญ ง, งอกงามในพระธรรมอย่างมากขึ้นด้วย แตถ้าไปคิดตรงกันข้ามนี้สุขนี้งามนี้สวยนี้เที่ยงนี้ยังยืยังยืนนี้เรานี้ของเราอันนั่นกับเราอันนั่นกับของเราถามอะไรจะตามมาก็ทุกติดตามมานะบาปอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเนี่ยนะถ้าสําคัญว่าเราอย่างเดียวเนี่ยของเราหรือสําคิดด้วยความกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะทำบาปเยอะแยะเต็มหมดเลย มิจฉาวาจาเนี่ยนะก็หายไปจากบุคคลผู้มีสัมมาวาจามิจฉาวาจาเวลามันเกิดขึ้นนะมันตามด้วยบาปอย่างอื่นอีกมากมิจฉาวาจาเช่นนะถ้าเราพูดมู่สาวาทอย่างเร็วนะบาปอะไรตามมาบ้างมันต้องคอยมู่สาวาดอยู่ร่ำไปนะเพื่อจะรักษาไอ้มู่สาวาทครั้งก่อนเอาไว้เพราะถ้าไปหลอกใครไว้คนหนึ่งเยก็ต้องมาหลอกไว้ประจประจำประจประจำจะได้จะได้หลอกให้มันสนิท น้อยนักที่จะมาขอโทษวันนั้นผมหลอกไปน้อยนักนะโดยมากก็พยายามกลบเกลื่อนว่าไอ้ที่วันนั้นอ่ะพูดหลอกไม่ใช่พการมุสาวาทนะถ้าพูดมุสาวาทอย่างเดียวนะบาปอย่างอื่นตามมาอีกเยอะหรือพูดคำหยาบอย่างเดียวเนี่ยนะไปด่าใครสักคนหนึ่งนะเดือดร้อนจากนั้นมาอีกเยอะอกุศลเนี่ยเกิดมาเยอะไปครุ่นคิดไปอกุศลวิตกตาหามาจากมิจฉาวาจา หรือไปพูดให้เขาส่อเสียดเนี่ยนะไปพูดให้เขาแตกแยกกันก็หลังจากนั้นก็เดือดร้อนมาอีกเพเอร์เจ้าก็เหมือนกันมันว่าจีทุจริตเนี่ยนะมิจฉาวาจาที่เกิดขึ้นตามมาด้วยบาปอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพะนั้นบางคนนะแก้ปัญหาเนี่ยแก้คําที่ตัวเองพูดไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกพูดไปแล้วมันพูดเป็นมิจฉาวาจาใช่ไหมเมื่อพูดเป็นมิจฉาวาจาก็ตามเดือดร้อนในภายหลังเป็นอย่างมากบาปอคุศสลธรรมทั้งหลายตามเพราะมิจฉาวาจาเนี่ยมาก บางคนเนี่ยโหพอพูดมิจฉาวาจาบางอย่างมันจะต้องหาเรื่องไอ้คนนั้นให้ได้ถามว่าบาปอะไรตามมาอีกบ้างบาปตามมาอีกเยอะมันมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยถ้าเขามีสัมมาวาจาซะหน่อยถ้ามีสัมมาวาจามิจฉาวาจาของเขาก็หายไปอกุศลธรรมทั้งหลายที่จะต้องทําก็ไม่ต้องทําถ้าเรารักษาสัมมาวาจาให้ดีนะเวเอนะันนั้นพูดคําสัตย์คําจริงดํารงมั่นอยู่ในคําสัตย์คําจริง พูดสมัครให้คนสมัครสมานสามคัคคีมีเมตตามีความปรองดองการพูดด้วยถ้อยคําที่ไพเราะพูดด้วยถ้อยคําที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วขณะเดียวกันก็จะละมิจฉาวาจาได้มากขึ้นเท่านั้นนั้นถ้าใครหมั่นสมาทานอธิษฐานประพฤติสัมมาวาจาให้ดีอันนั้นก็เป็น กุศลศีลที่เราสามารถสมาทานประพฤติได้จริงๆนะมันสมาทานประพฤติเป็นสัมมาวาจาให้ดีๆกุศลธรรมอย่างอื่นเนี่ยตามมาอีกเยอะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาวาจาแล้วนะอกุศลอย่างอื่นตามมาอีกมากเพราะว่ามิจฉาวาจาเวลาเกิดขึ้นก็ทำลายสัมมาวาจาสัมมาวาจาถ้าเกิดขึ้นก็ทำลายมิจฉาวาจาก็ให้ดำรงมั่นนะในสัมมาวาจาเพราะว่า สัมมาวาจาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อกุศลธรรมอย่างอื่นอีกมากส่วนสัมมากัมมันตะก็เหมือนกันสัมมากัมมันตะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ต้องทําลายมิจฉากัมมันตะทีนี้มิจฉากัมมันตะเนี่ยนะมิจฉากัมมันตะมีสามอย่างทําปานาติบาตทำอตินนาทานทํากาเมสุมิจฉาจาร์ถามว่าทําปาณาติบาตเนี่ยนะผลของปานาติบาตเวลามันให้ผลเนี่ยเดือดร้อนไหม เดือดร้อนมากทําอธินนาทานขึ้นมาเนี่ยผลมันตามให้ผลนี่เดือดร้อนไหมเดือดร้อนทํากาเมสุมิาชฉาจารมามากนะเดือดร้อนอกุสุลธรรมตามมาที่เป็นผลพวงของปาณาติบาตบางคนทําปาณาติบาตสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะขึ้นโรงขึ้นศาลจนตา ย, เ, ยเพราะปาณาติบาตครั้งเดียวเป็นปัจจัยบางคนอธินนาทานครั้งเดียวเดือดร้อนชีวิตเนี่ยนะแบบอะไรคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยทั้งชาติเลย ก็เดือดร้อนเลยนะบางคนก็กาเมสุมิจฉาจาร์ครั้งเดียวเนี่ยเสียหายชีวิตวิบัติไปหมดเลยเพราะกาเมสุมิจฉาจาร์ผนักอกุศลทั้งปานาตบาตอธินนาทานกาเมสุมิชขาจานํามาซึ่งความเราร้อนเดือดร้อนในภายหลังเนี่ยนะซึ่งครวตีเป็นมูลข้าวไม่ได้มันเสียหายมากบาปอากุศลอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเนี่ยนะแล้วปัญหาเนี่ยไม่แก้ไม่มีจบมีสิ้น ปานาติบา ท, ที่ไปทำไปแล้วนะเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบไม่สิ้นผลของปานาติบาต์ถ้าพูดแบบธรรมดาเบาๆเลยนะเสียใจนื้งถึงเมื่อไหร่ก็ถดือร้อนใครที่ศึกษาธรรมะมาดีระดับหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็อดีตเคยทำอกคุศล ม, มาเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งนั้นอนะ่ะเชื่ อ, อะนะเขอมาด้วยคนอื่นด้วยการด้วยะนะอีกหลายคนด้วยอืมอะนะ เออมันเคยทํามาทั้งนั้นก็ขอยินดีด้วยขออนุมโมทนากับคนที่ไม่เคยทําด้วยทําบุญอะไรมาเนาะอ่านะอาจจะมีบ้างานะบางคนเกิดมาเนี่ยจะฆ่าสัตว์นี่เขาก็ด่าแล้วนะต้องไม่ทํานะเข า, าดีอันนั้นาทาก็เดือดร้อนอนะ่ะแย้งอ่ะก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันสนทนากะโยมคนห น, นึ่งบอกเนี่ยผมเนี่ยมันร้อนอยู่ตอนเนี้ยเหนกั เออนี่แหละผลของบาปมันเป็นอย่างนี้แหละทาวิปฏิสารเท่าไหรจากทําครั้งนั้นขึ้นมาเนี่ยนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งไอ้ตอนทํานึกว่าไม่มีอะไรนะที่นายได้เดือดร้อนมาหลังจากนั้นนี่เดือดร้อนดีนะั่นนั่นเสร็จอันนั้นเนี่ยผลของการทุศมสินนะไม่ใช่ผลของกรรมนะถ้าผลกรรมให้ผลนะเบียดเบียนสัตว์เบาที่สุดเสร็จเส็จก็ป่วยป่วยแล้วป่วยเล่าป่วยแล้วป่วยเล่าไม่หาย แล้วก็ผลมากขึ้นกว่านั้นชีวิตสัน้นอายุสัน้นแรงกว่านั้นก็ตกนรกเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติใหม่ๆก็อะไรอายุสั้นอีกเนี่ยนะแล้วก็อายุสัน้นแล้วก็เป็นกลุ่มพิการเพราะเวลาฆ่าสัตว์มันไม่ได้นี่เลยนะพิการอนะ่ะเพราะผลพวงเศษกรรมอย่างเบาบางทีเวลาจะฆ่ามันก็ฟันโน่นฟันนี่ตัดโน่นตัดนี่ใช่ไหมมันก็เป็นที่มาให้เหตุให้พิการ น, นี่เป็นผลของปานาติบาตเกิดมาก็อายุสั้นพิการก็พิการแล้วถามมาโทสะเนี่ยทําด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่โดยมากไม่ใช่เพราะนั้นเวลาผลกรรมมันให้ผลนะมันเรียกว่ามันส่องกรรมเหมือนกันส่องถึงเหตุที่ทําะั้นวิบาตที่ได้รับเนี่ยโหเจ็บปวดที่สุดเลยนะไปที่ไหนเนี่ยสมมติเขาไม่อยากเห็นหน้าเราเลยนะมมถ้าเราทำปานาติบาตไว้เยอะๆนะบาปมันให้ผลไปที่ไหนก็บอกคุณไม่ต้องเสนอหน้ามาหรอกถามมันจะเจ็บช้าน้ําใจขนาดไหน มันถ้าบาปมันให้ผลแล้วมันจะเดือดร้อนน่ะนะแชาตินี้นะถ้าใครไปเป็นแผลทําบาปไว้เยอะๆแล้วไปที่ไหนก็มีป้ายขึ้นชื่อไว้นี่มันนักฆ่าอย่างนี้นนะจะเดือดร้อนขนาดไหนอนาทินนาธานก็เหมือนกันถ้าทําอาทินนาธานรักทรัพย์เอาไว้เยอะๆโกงเอาไว้มากๆทุจริตเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะเสียใจในภายหลังแน่มีทรัพย์ก็รักษาทรัพย์ไม่ได้ทรัพย์ก็เสียหายเสียหายเสียหายไปเรื่อยๆที่มีอยู่ก็ร่อยหลอลงไปไอ้ที่หาไม่ได้ก็หาไม่ได้มีแต่เดือดร้อนน่ะนะ พันเวลาอธินนาทานให้ผลเนี่ยโอ้มันเจ็บปวดอย่างตอนนี้เนี่ยนะถามว่าคนที่น้ําท่วมเขามีความสุขไหมเออดีน้ําเอยจงมาท่วมมากขึ้นมากขึ้นเลยนี่นะแต่ว่านั่นเป็นเศษผลอย่างเบาของอธินาทานนะทําให้ทรัพย์สินเสียหายอั้นะเสียหายกันท่วงหน้าก็เนี่ยเศษเศษเฉยเฉนะบางคนถ้าอธินนาด้วยปาณาติบาตด้วยก็น้ําท่วมด้วยตายด้วยนะถ้ากรรมมันให้ผลก็อั้นเวลากรรมมันให้ผลนะสมมติว่า ผู้ที่เลี้ยงกุ้งก็มีบางบางยมบางคนก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะแล้วเขาจะเก็บกุ้งอยู่แล้วนากุ้งเนี่ยฝนตกน้ําท่วมมากุ้งมันหายไปหมดเลยเสร็จแล้วเขาว่าอันเนี้ยจะจะมากู้พอดีเอกเรียกว่านี่สินก้อนสุดท้ายเนี่ยตัวเนี้ยมันจะหลุดแล้วเพราะว่ากู้มามากกู้มาหลายล้านเลยก็คิดว่ากู้ครั้งนี้เนี่ยเรียบร้อยละบางท่านเสร็จแล้วไม่ได้กู้เพราะกุ้งมันตายหมดแล้วก็เลยฆ่าตัวตายเลยนะย ฆ่าตัวตายน้ําท่วมด้วยนะนั่นน้ำท่วมด้วยปานาติบาตด้วยก็ด้วยเหตุปัจจัยอลไรล่ะอย่างเพราะคนที่อกุศลมันให้ผลเนี่ยนะโอ้มันทุกข์เนี่ยอย่าบอกใครเลยะไปดูเหอะกระวนน้าตาคนยากมันทุกข์มากมากนะมันก่อนโยมเล่า ว, ว่าไปแจกข้าวของให้คนทุกข์คนยากกนะันนะั่ะก็เขาก็เดือดร้อนนี่เป็นเศษผลอย่างเบาของอทินนาทานมีทรัพย์ทรพย์ก็เสียหายอันนะับอกว่ยงูมันขึ้นบ้านเลยว่างั้น มันก็ขึ้นสิมันเป็นดอนอ่ะมันเป็นบกอ่ะอันนไม่ใช่งูน้ํางูบกมันก็ขึ้นขึ้นอยู่บ้านด้วยไงนะน้ําท่วมงูขึ้นบ้านงูขึ้นเรือนอันถ้าทำปานาทิทำอาทินนาทานไว้เยอะนะมีทรัพย์สินทรัพย์สินก็เสียหายใช้รถอยู่ดีๆมันก็บุบมันก็สลายมันก็เสียอีกแล้วมันพร้อมที่จะเสียหายพร้อมที่จะหมดเนื้อหมดตัวได้ได้อย่างไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่เป็นผลของอาทินนาทานนั้นถ้า ถ้าไปทําอธินาทานบางอย่างมานะสมมติถ้าเราไปลักขโมยมานะลักขโมยของใครนะ่ะมันต้องคอยหลอกอยู่นั่นแหละไม่เด็กๆนะ่ะเคยขโมยสตังค์แม่อย่างเงนะอุ้ย <c oughs> ต้องคอยหลอกแม่อยู่นั่นแหละนะ <c oughs> ว่าว่าแม่ยังงั้นอย่างงี้นะบางนะ <c oughs> ทีเราก็เอาสตังค์เข้าไปเล่นหยอดล้มหมดเกลี้ยงมาแล้วก็มาหลอกพ่ออีก <c oughs> มูสาว่าตามมาอีกเยอะแยะหมดนะถาอธินนาทานมาอันเดียวนะั้นมันจะตามมาด้วยทุศีลอย่างอื่นอีนอกเยอะเนี่ยนะ พันนาติบาตอธินาทานหรือการเมสุมิฉาจารก็เหมือนกันบางคนเนี่ยการเมสุมิฉาจารไปทํามามากก็ต้องมาคอยหลอกคนข้างๆอยู่ประจํานั่นแหละหลอกกันไปมูสาวาดไปมูสาวาดมาทะเลาะเบาแวงกันอยู่นั่นแหละก็เป็นผลของความทุศีล น, นั้นผู้ที่ทุศีนทําความชั่วทางกายวาจาและใจนะบาปอย่างอื่นมันตามมาแล้วเขาจะเดือดร้อนตลอดเลยนะเดือดร้อนมากๆเลยถ้ายิ่งมีความรู้ในตอนหลังเท่าไหร่จะยิ่งเดือดร้อนใจเท่านั้นว่าไม่น่าเลยนะ พระองค์ตรัสว่ากรรมใดที่ทําแล้วจะต้องน้ําตานองหน้าเสวยผลแห่งกรรมนั้นอยู่กรรมนั้นทําแล้วไม่ดีเลยนะี่นะเพราะฉนั้นก็จงเว้นความชั่วเหล่านั้นเถอะพระพุทธเจ้าที่พระองค์ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นไม่ใช่พระองค์ามาขัดขวางความสุขอะไรเราหร อ, อกแต่พระองค์มองว่านั่นมันเป็นความทุกข์ระยะยาวนี่นะเห็นเป็นความทุกข์ระยะยาวอย่างสมมติเหมือนเขาเขาบริณรงค์ไม่ให้เสพยาบ้าเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่าถ้าคนที่เสพยาบ้ามากๆเนี่ยนะไอ้ยาบ้ามันมีสารหลายตัวมทําให้สมองเนี่ยฝ่อสมองเสื่อมไปเลยก็เป็นสมองเสื่อมไปเลยถามว่าถ้าสมองหมดคุณภาพแล้วมีชีวิตอยู่ทําไงมีชีวิตก็เหมือนกับคนตายเดินได้นั่นแหละไม่มีความคิดความอ่านอะไรสักอย่างเดียวก็คิดแบบคนบ้า ค, คิดนะคิดแบบคนไม่มีความคิดคิดพันนั่นเป็นผลของโทษเพรนันเขาไม่ใช่ว่าเขาห้ามไม่ให้สวยความสุขแต่ความสุขใดที่จะเสียหายในตอนหลัง ท่านก็เลยห้ามเพราะมันมีทุกข์มีโทษในตอนหลังพวกทําบาปประกรรมฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมทั้งหลายที่เป็นทุจริตกรรมทางกายวาจาและใจเนี่ยนะคือถ้ามันให้ผลในตอนหลังแล้วมันเจ็บปวดร้อนเนี่ยนะมันพระองค์จึงห้ามแต่ถ้ามารักษาสัมมา ก, กรรมมันตระนะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมหรือรักษาพรหมจรรย์ เขาจะมีความสุขติดตามมาเป็นอย่างมากนะก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะบาปรกรรมที่ได้ทาไปือบางคนเนี่ยนะที่ที่ทำด้วยอานาจทิฐิเนี่ยนึกว่ากรรมไม่มีผลก็อ น, นั้นมิจฉาทิฐิเป็นปจัจจัยเนี่ยนะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแห่งบาปและอกุศลจริงอยู่ว่าขณะนั้นอาจจะยังไม่เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะว่ายังไม่ได้ปัจจัยพร้อมที่จะทำให้เดือดร้อน คือคนที่ทาําบาปไว้เยอะๆแล้วเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยนะแล้วเขากําลังมีความสุขอยู่ด้วยอย่าไปริษยาเขาเลยเหมือนอย่างว่าเคยเห็นรถที่มันร้องรําทําเพลงสนุกสนานตึงๆๆๆเปิดเพลงร้องสนันไปหมดเลยนะมีความสุขลําเมาแอะเสร็จแล้วไปคว่มตายเกลี้ยงเลยนะคือตอนที่เขามีความสุขอยู่บนตอนนั้นน่ยก็อย่าไปริษยาเขาเลยว่าบาปจะไม่ให้ผลอ น, นะัถ้า หลายๆคนนะถ้าเป็นญาติเรานะั้นมันน่าสงสารมากๆแล้วก็ดูคนนี้มันเดือดร้อนแน่ต่อไปแล้วเขาก็เดือดร้อนจริงๆด้วยเนะเดือดร้อนชาตินี้ก็รู้แล้วเดือดร้อนชาติหน้าต่อไปเขาจะเดือดร้อนปานใดเนี่ยเพราะฉะนั้น บ, บาปรกรรมที่ทำเนี่ยนะถึงตอนนั้นยังไม่ให้ผลก็าตามอยากคิดนะว่ามันจะไม่ให้ผลเขาเรียกว่าวนิยามเนี่ยมันมีอยู่ห้าประการนั่นที่เคยกล่าวไป น, นะเช่นทำมนิยามเนี่ยนะเราจะลืมแก่ความแก่ลืมเราไหมไม่ลืม ถ้าเราลืมตายแล้วความตายมันจะลืมเราไหมไม่ลืมนี่เรียกว่าธรรมนิยามเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยธรรมดามเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดาฉันใดกรรมก็เรียกว่ากรรมมณยามมันเป็นเรื่องธรรมดาถึงเราจะรู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามเนี่ยอย่างเช่นกรรมมันก็ให้ผลทางตาทางหูทา ง, ทางจมูกทางลิ้นแม้กระทั่งฟังธรรมอยู่ก็ป่วยขึ้นมาเฉยๆเคยมีไห ม, ม, ม, ม, มนั่นแหละเพราะว่ากรรมมันไม่ได้เลือกที่เลยเนี่ยนี แล้วมันให้ผลได้ทุกแห่งด้วยนะถ้าถ้าได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยนะอย่าลืมนะอย่คิดว่าอยู่บนเครื่องบินและดำจะเลิกให้ผลขึ้นสูงมากพ้นไหมยมจิ น, นไม่พ้นเนี่ยนะระเบิดบนเครื่องบินกบนนั้นก็ได้เอางั้นก็อยู่ใต้เรือดำน้ําเลยมุดเข้าไปเลยไม่พ้นอยู่ซอกเขาไม่พ้นอยู่ตรงไหนบ้างพ้นนะเข้าห้องน้ําอย่างโดนเลยมีโยมคนหนึ่งเขาแต่งตัวห้องกระจกเขา้าว่าไอ้คนอื่นเขาบอกเขาไล่ามาขอแต่งแทนเลยถูกยิงตายเลย ที่เคยมีคนเล่าให้ฟังพันอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะที่กรรมจะไม่ให้ผลไม่มีอยู่บนรถบนเรือบนเครื่องบินอยู่ที่ที่แล้วอยู่แล้วบาปไม่ให้ผลไม่มีถ้าทำชั่วไว้แล้วถ้าทำบาปไปแล้วเนี่ยที่บาปจะไม่ให้ผลไม่มีอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะแต่ถ้าทำบุญไว้แล้วนะไปที่ไหนก็ไม่เดือดร้อน ถ้าผู้มีบุญอย่างถามว่าพระโมคคลานะท่านเคยลงไปในนรกไหมไปแต่ทําไมไฟนรกไม่เผาท่านก็ท่านมีบุญน่ะถ้าคนหมดบุญล่ะนะอยู่ตรงไหนไฟนรกมันก็ดูดไปหมดอ่ะร้อนรนกวนกวายตลอดได้ยินมันไม่นานนี่เขาเล่าว่าคนที่ทําชั่วมาเยอะๆนะพออายุมากๆเข้าเดือดร้อนมากๆเลยร้อนรนกวนกวายยิ่งสายปานาติบาดด้วยนะร่างกายมันร้อนระอุป่วยบ่อยแล้วก็ร้อนไม่มีอะไรคไม่มีสาเหตุอันนะ ทำบาปไปเยอะๆนี่เดือดร้อนจริงๆซึ่งเขาจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามแต่ถ้าบาปมันให้ผลนะก็เจ็บปวดแล้วว่างั้นเธอเพราะคนในโลกนี้ที่เรียกว่านี้ทุกเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าเขาทําบาปไปเยอะเหลือเกินถ้าบาปมันให้ผลเขาพร้อมที่จะทุกข์ทันทีแต่เขาจะรู้หรือไม่ว่านั่นเป็นผลแห่งบาปประกรรมพันคนที่ทําบาปแล้วดูเหมือนเขาไม่เดือดร้อนนะอย่าไปดีใจกับเขาเลยเนี่ยนะชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น าบาปเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลเมื่อใดบาปให้ผลนะเขาเขาเดือดร้อนมากๆท่านเคยเห็นคนเดือดร้อนไหมนั่นแหละเป็นไม่ใช่ผลของบุญถ้าผลของบุญนะบุญมันจะอุ้มขึ้นอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขและความเจริญถ้าบาปมันให้ผลมันเป็นลากคอมาจากเครื่องบินเน่มาฆ่าเพราะว่าถ้าบาปมันตามทันมันก็แต่ว่าถ้าทาด้วยทิฏฐินี่ก็ทำด้วยความสนิทใจนะก็นึกว่ามันไม่มีผล แต่นั่นแหละถ้าผลมันให้แล้วนะถ้าทําบาปไปแล้วสมมติถ้าไปเกิดเป็นปลานะไปอยู่วังน้ําตรงไหนเขาก็ไปล่ามันขึ้นมาะถ้าทําปานาติบาตไปเกิดในอบายแล้วอยู่ตรงไหนเขาก็ล่าขึ้นมานั้นก็ให้เห็นโทษของบาปอากุศลไว้เถอะแต่ถ้ามีสัมมากรรมมันตะมีสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะนะรักษาศีลประพฤติอยู่ในกุศลศีลบุญทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเพราะสุจเรศสามนามาซึ่งอะไร สุจริตสามดีก็ส ต, ติปัญญาดีกุศลธรรมอย่างอื่นก็ตามมาอีกเยอะถ้าศีลดีก็นํามาซึ่งอวิปไม่วิปติสารไม่ต้องเดือดร้อนใจเนี่ยถ้าศีลดีก็ทําให้ปราโมทย์ปีติปัสสัที่สุขสมาธิพันคนหลายคนเนี่ยนะที่ศึกษาธรรมะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะทูศีลมามากถ้าเขามาเรียนว่ากรรมมันให้ผลตายเลเนี่ยถ้ามันให้ผลเนี่ยตายแน่ตกนรกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกรรมมันต้องไม่มี ปฏิเสธไปเลยนะนะก็หลายหลายคนเนี่ยนะเรารู้เลยที่เขาศึกษาธรรมะไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่มีปัญญาแต่เขาชั่วเกินไปเนี่ยเขามีบางคนนะเขาบอกว่าพอเขาศึกษาไปป้าเขาบอกว่าโอ้โหศาสนาบริสุทธิ์เกินไปสําหรับเขาเขา่ากงั้นคือเขาเลวมากศึกษาไม่ได้หรอกเขาบอกงั้นก็เพราะมันเดือดร้อนใจอย่างบางคนทํามาปนาติบาสมาหลายๆลาสิปีเนี่ยนะทำมาหลายหลายสิบปีปีหนึ่งโอ้ไม่ใช่วันหนึ่งหลายหลายพันอย่างเงี้ยแต่อย่างบาง บางคนที่ฆ่าสัตว์เยอะๆเนี่ยนะทำาธินาทานเป็นปกติเป็นอาจินยากนะที่จะยอมรับในกรรมและผลของกรรมเพราะว่าถ้าทำปานาติบาตอธินนาทานทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นไว้เยอะๆนะพวกนี้ปฏิเสธบุญบาปเลยมันก็ตามด้วยมิจฉาทีทีตามด้วยบาปอากุศลอย่างอื่นอีกเยอะเพราะฉะนั้นกุศลศีลถ้ารักษาดีเนี่ยก็นำมาซึ่งความไม่เสียใจในภายหลังแต่ว่า คนดีทั้งหลายเวลาเจริญกุศลอยู่เขาก็บอกกุศลนี้ไม่ดีเลยนะทำไมเนี่ยเขาเพราะเขาเจริญกุศลเนี่ยนะเขาจึงลำบากอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันคือตราบใดที่บุญยังไม่ให้ผลคนทำดีก็ว่าบุญนี่มันดีไม่ดีเนี่ยเพราะเขาทำบุญแท้ๆเขาจึงเดือดร้อนอยู่ทุกวันวันเพราะเขาทำบุญแท้ๆปัญหามันเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะ แต่นั่นบุญยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบุญให้ผลก็บอกโอ้ดีแท้ดีแท้เนี่ยนะดีจริงๆผลของบุญเนี่ยบาปเหมือนกันผู้ที่ทําบาปนะตราบใดที่ยังบาปไม่ให้ผลนะบอกโอ้ดีจริงๆเห็นมีอะไรมีความสุขมากตราบใดที่ยังบาปไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปมันให้ผลนะเขาเดืดร้อนจริ ง, รงๆเนี่ยนะเดือดร้อนจนถึงว่ารักษาทรัพย์ก็รักษาไม่ได้รักษาร่างกายก็รักษาไม่ได้ รักษาสุขภาพก็รักษาไม่ได้ในที่สุดรักษาชีวิตก็รักษาไม่ได้รักษาสุขติก็รักษาไม่ได้รักษาแม้กระทั่งพบเดรฉานยังรักษาไม่ได้ก็ไหลไปจนถึงนรกแล้วนรกเนี่ยมันก็อายุเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นล้านล้านปีก็มีอย่างบางทีก็อยู่ครึ่งกับอย่างเงี้ยนะันก็อย่าเชียวเีวไปแถวนั้นเด็ดขาดไปแล้วเรื่องมันจะยาว น, นั่เพราะว่า ดวงที่สองถึงดวงที่6ในเมื่อหลายแสนชาติที่แล้วมันก็ไม่ลืมนะมันก็เที่ยวมาซ้ําเติมอย่านั้นนะซ้ำแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่นี้บาปนี่มันใกล้ต่อบาปเชื่อไหมโทสะมันจะใกล้ต่อโทสะผู้ที่ทําปาณาติบาตมากมากนะทาให้คนข้างๆคิดทําปาณาติบาตกับคนนั้นอีกครับเออทั้งๆ ท, ที่คนนี้เกิดมาไม่เคยคิดจะทําปาณาติบาตอย่างสมมตินะผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เขาทําแทงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเด็กที่มาเกิดในคันเนี่ยมันเคยทําปาณาติบาตมาเพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัใจจัยให้อายุสั้นทําให้แม่ที่อยู่ใกล้ๆคิดวิบัติตามไปด้วยก็เลยเด็กนั้นก็รับผลของกรรมเก่าแม่ก็เลยทํากรรมใหม่นะก็เลยเนี่ยปาณาติบาตนะถ้าอยู่ใกล้ใครมันก็จะทําให้คนอื่นได้ทําปาณาติบาตตามไปด้วยมันติดเชื้อกันได้นะพวกบาปเนี่ยทิฐิมันยังติดเชื้อกันเลยใช่ไหมปาณาติบาตมันก็ติดกันอธินหน้าทานมันก็ติดกัน มุสาวาตมันก็ติดกันกาเมสศมิชาาจารย์มันต่อต่อตอตอตอกันหมดนะพวกบาปทั้งหลายมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้แหละที่กล่าวไปเนี่ยนะก็จะได้พูดถึงว่าไอ้ความเสียหายระดับใหญ่โตนี่มันเสียหายยังไงเมื่อเรารู้ความเสียหายระดับใหญ่โตเนี่ยนะไฟไม่เมืองเนี่ยที่มันลุกลามใหญ่โตกับไฟในก้านไม่ขีดอันไหนหน่าระวังที่สุดไฟไฟที่มันไม่เมืองนี่อาศัยไฟอะไรเผา ในไม่คิดถ้ารู้ถึงทุกโทษของมันเมื่อมันลามไฟบ้านไหม้บ้านไหม้เมืองเนี่ยนะเขาจะมาระวังไอ้สิ่งที่มันเล็กน้อยหลังเขาก็เห็นโทษในระยะใหญ่ก่อนชั้นใดก็ดีถ้าใครรู้ผลแห่งบาประยะยาวเขาก็จะเริ่มสังวรมาเรื่อย ๆ, ๆมาจนสังวรแม้กระทั่งระดับเล็กๆฉั้นการพูดในวงกว้าง ระดับใหญ่ๆเนี่ยนะผลของผู้ทําชั่วทําเลวเยอะๆเนี่ยอย่าคิดนะว่าคนทําชั่ว น, น้อยๆจะไม่ไปทําเลวขนาดนั้นพุทธพจน์แห่งหนึ่งพระองค์บอกว่าอย่าคิดนะว่าคนที่รู้อยู่ยังกล่าวมุสาวาตจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นี่นะถ้ารู้อยู่แล้วยังมุสาวาตอย่าคิดนะว่าบุคคลนั้นทําบาปใหญ่ๆไม่ได้แต่ที่เขายังไม่ทาเพราะมันไม่ได้ปัจจัยนี่นะ เพราะคนทีมาา่มุสาวาดอยู่นะล่วงธรรมะอันเอกอยู่บาปทุกชนิดเขาทำไม่หมดเพียงแต่ว่าขอให้รอเหตุที่สมควรอย่าไปคิดว่ากา้านไม่ขีดเล็กๆมันจะไปเผาพระนครไม่ได้ น, นะเผาได้หมดอะถ้าเพียงแต่ว่ามันรอเชื้อเท่านั้นเองพันเราก็จะเริ่มเห็นโทษของบาปเห็นโทษของอกุศลว่าบาปนี้เร็วมาก น, นะไม่ดีโดยประการทั้งปวงภาษาธรรมะก็เลยบ่า อกุศลธรรมอัลามกเนี่ยนะปลาปะอกุศลาธรรมมาเนี่ยนะปลาปลาก็าลามกเร็วมากคือมันนํามาซึ่งความเรวมันนามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนโดยประการทั้งปวงถ้าเรารู้ผลแห่งบาปเท่าไหร่เราจะหันมาเจริญกุศลเท่านั้นถ้าเห็นโทษของบาปก็จะเจริญบุญถ้าเห็นผลของบุญก็จะรู้ถึงผลแห่งบาปนั้นวัตถุของอย่างปริวัฒนาหาระเนี่ยเป็นการให้แยกสองส่วนนี้ให้ออก บางคนเนี่ยรักษาศีลไม่ค่อยทนแล้วก็ไม่ค่อยทนจะรักษาด้วยทําใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เห็นโทษของการทุศีลบางคนเนี่ยฟังธรรมไปตบยุงไปฟังธรรมไปตบยุงไปเราก็ไม่รู้จะเทศว่ายังไงโอ้โหมันเป็นความทุกข์ของพระอย่างหนึ่งนะเนี่ยโอ้โเนี่เราต้องไปพูดให้คนอะไรจะไปพูดว่ายังไงเนี่ยแล้วก็พูดไป ก, ก, ก็ตบนั่งตบยุงไปอะไรไปเนี่ยนะบอกโอ้ตายเลยเนยนะี่ย มีหน้าแล้วเขาจึงมีภาพประปจิต ก, กับพระพุทธเจ้าก็เพราะอย่างนี้แหละนะ <c oughs> นี่นนะนนนะคล่องนะอะเขาไม่รู้ตัวด้วยนะจนกว่าว่ า, อายอมไปตบมันทําไมเหรอเออเพิ่งนึกได้โอ้อะไรจะปานนั้นถามว่ามีไหมไมีมอบเนี่ย น, นะอย่างถ้าเป็นต่างจังหวัดด้วยนะพระก็ให้ศีลข้างหน้าดื่มเหล้ากันข้างหลังนั่นแหละไอ้คนว่าตามพระนั่นแหละดื่มเหล้านะ ดืมไปว่าไปอะไรไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะเพราะอะไรเพราะว่านั่นเป็นผลของความทุศีลเนี่ยนะฉันกุศลแลธรรมชั้นสูงไม่ต้องเป็นอันหวังละพรนถ้ากายยะทุจริตวจีทุจริตที่สั่งสมกันนะกายยะสุจริตวจีสุดจริตก็ยากพันการรู้บาปรู้บุญเนี่ยนะแยกวัตถุแห่งบาปแห่งบุญทั้งสองประการให้ได้เราจักดารงมั่นอยู่ในกุศลได้แต่ถ้าแยกทวารแห่งบาปไม่ได้ แยกโทษแห่งบาปไม่ได้น้อยนักที่จะเจริญผลแห่งบุญนะก็ต้องรู้โทษแห่งบาปจะได้เจริญผลแห่งเจริญบุญได้เท่านั้น